พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่สิบปายาสีสูตรข้อเปรียบเทียบเรื่องบาบุญพบภูมินรกสวรรค์โลกหน้ามีจริงหรือไม่สมัยหนึ่งท่านพระกุมารกัสปะกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงเมืองเสตบพยะของชาวโกศลพักอยู่หน้าป่าไม้สีเสียดสมัยนั้นเจ้าปายาสิปกครองเมืองเสตปพยะ มีพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประเสียนที่โกศลพระราชทานปูบนบรรเนตให้สมัยนั้นเจ้าปายาสิมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีอบ ป, ปฏิกะไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีพรามและกะหาบดีชาวเมืองเศษตัพพยะได้ฟังข่าวว่าท่านสมณะกุมารกัสปะ ผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังพักอยู่น่าไม้สีเสียดท่านมีชื่อเสียงดีงามขจรว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพระหูสูตรกล่าวถ้อยคําไพเราะปฏิภาณดีเป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์การได้เห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้จึงเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณนะมุ่งหน้าเพื่อหวังเข้าพบ ขณะนั้นเจ้าปายาสิทอยพระเนธเห็นพรามและข้าหบดีชาวเมืองเสียตัพยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะจึงทรงเรียกมหาเลกมาตรัสถามได้ความว่าพวกเขาจะเข้าไปหาท่านสมณะกุมารกัสปะจึงเสด็จไปหาเช่นกันลำดับนั้นเจ้าปายาสิครั้นประทับหน้าที่สมควรแล้วจึงตรัสกับท่านพระกุมารกัสปะดังนี้ว่า ท่านกสปะโยมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีอปฏิกะไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอปฏิกะคือกำเนิดหนึ่งที่ผุดเกิดขึ้นทันทีตัวอย่างเช่นเทวดาพรหมเปรตและผู้ผีอสุรกายต่างๆ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 เป็นเทพมิใช่มนุษย์สำหรับข้อนี้เข้าใจว่าสมัยโบราณคนสมัยนั้นเชื่อกันว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นเทพนะครับด้วยเหตุพระดำรัสของพระองค์นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีอบปฏิกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริง แต่โยมก็คงยังเชื่อเหมือนเดิมว่าโลกอื่นไม่มีบาบุญไม่มีเพราะเหตุว่ามิตรอมาตยาสาโหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติตนผิดศีลห้าทุกข้อเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดต่อมาพวกเขาป่วยหนักใกล้ตายจึงเข้าไปเยี่ยมและสั่งอย่างนี้ว่าถ้าคนทาบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิ หลังตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกถ้าคำของสมณะพราหม์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วหากไปเกิดในอบายภูมิดังนั้นก็ขอให้กลับมาบอกเราคนเหล่านั้นรับคำแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านกัสปันี้แหละเป็นเหตุทำให้โยมเชื่อว่าโลกอื่นไม่มีอบติกสัตว์ไม่มี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 นี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาชาญะแก่โจร น, นี้ตามพระประสงค์เถิดถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนี้เอาแขนไผ่หลังอย่างแน่นหนานแล้วกวนศีรษะนำแถะเวนจากถนนหนึ่งไปสู่ถนนหนึ่งจากสี่แยกหนึ่งไปสู่สี่แยกหนึ่งพร้อมกับแกว่งบันดาะเสียงดังน่ากลัว นำออกทางประตูด้านทิศใต้ตัดศีรษะที่ตะแลงแกงทางทิศใต้แห่งเมืองราชบุรุษทูลรับสนองพระดำรัสแล้วทำตามรับสัง่งเวลานั้นโจนจะขอผ่อนผันจากเพชฌฆาตว่าขอให้ท่านเพชฌฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมมาศหรือญาติสาโลหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมากระนั้นหรือหรือว่าเพชฌฆาต จะพึงตัดศีรษะโจรผู้กำลังอ้อนวอนอยู่เล่าท่านกัสปะโจรไม่ควรได้รับการผ่อนผันเพชรฆาตพึงตัดศีรษะโจรผู้กำลังอ้อนวอนอยู่นั่นแหละบ่อพิษโจร น, นั้นเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับการผ่อนผันจากเพชรฆาที่เป็นมนุษย์ผู้คนที่ตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรก จะได้รับผ่อนผันจากนายนิรยิยบาลตามคำขอที่ว่าขอให้นายนิรยิยบาลโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่เจ้าปายาศิว่าโลกอื่นมีอบปฏิกสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสคำตอบของพระองค์นี้แหลจึงแสดงให้เห็นว่าโลกอื่นมีอบปฏิกสัตมี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกันสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อเหมือนเดิมเพราะเหตุว่ามิตรอมาตยาสาโลหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้รักษาศีลห้าไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาพวกเขาป่วยใกล้ตายจึงไปหาแล้วบอกว่ามีสมณะพราหม์พวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีศีลหา้าไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์พวกท่านเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ ไม่เพ่งแรงอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหากคาของสมณะพราหมวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ขอให้กลับมาบอกเราด้วยคนเหล่านั้นรับคาของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านกัสปะนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าโลกอื่นไม่มี ปฏิกศัตร์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยบุรุษในหลุมอุจจาระบอร่อพิษถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเปรียบเหมือนบุรุตจมลงในหลุมอุจจาระมิดศีสั์เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งราชบุรุษว่า พวกท่านจงช่วยกันยกบุรุษนั้นขึ้นจากหลุมอุจจาระแล้วจงเอาซี่ไม้ไผ่ขูดอุจจาระออกจากร่างกายของบุรุตนั้นให้หมดจงเอาดินสีเหลืองขัดสีร่างกายของบุรุษนั้นสักสามครั้งเอาน้ำมันชโลมบุรุษนั้นแล้วลูบไล้ด้วยจรุนคือเครื่องหอมอย่างดีให้ผุดผ่องสักสามครั้งจงตัดผมและโกนหนวดบุรุษนั้นนำพวงดอกไม้ เรื่องรูปลาและผ้าราคาแพงไปให้บุรุษนั้นและพวกท่านจงเชิญบุรุษนั้นขึ้นปราสาทบำรุงบำเรอด้วยการมาคุณห้าบุรุษนั้นอาบน้ํารูปลาดีแล้วสวมพวงดอกไม้และเครื่องประดับแล้วนุ่งผ้าขาวอยู่ปราสาทชั้นดีเอิบอิ่ ม, มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยการมาคุณห้ายัางต้องการจะดำลงไปในหลุมอุจจระเก่านั้นอีกหรือ ไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสปะเพราะเหตุไรจึงไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสปะเพราะหลุมอุจาระไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั้งหน้ารังเกียจบอ่อพิษมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสําหรับพวกเทพพวกมนุษย์เป็นผู้ไม่สะอาดเป็นผู้มีกลิ่นเหม็นเป็นผู้น่ารังเกียจทั้งนับว่าหน้ารังเกียจกลิ่นมนุษย์ย่อมเหม็นฟุ้งไปในหมู่เทพตลอดหนึ่งรยโยต ก็ถ้ามิตรอมาตยาสาโลหิตของพระองค์ผู้มีศีลพวกเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขหอมสะอาดบันเทิงด้วยการมาคุณอันเป็นทิพย์แล้วยังอยากจะกลับมาโลกอันเปรียบเหมือนลงไปในถังอุจจาระอีกหรือเพียงเพื่อมาบอกว่าโลกหน้ามีจริงตามที่พระองค์รับสั่งไว้ท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริง แต่โยมก็ยังคงเชื่อเหมือนเดิมเพราะเหตุว่ามิตรอมมาตย่าสาวโลหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้มีศีลต่อมาพวกเขาป่วยหนักจึงเข้าไปเยี่ยมและสั่งว่าท่านทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าบุคคลผู้รักษาศีลห้าหลังจากตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีล ถ้าหากคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าโลกอื่นมีอบปฏิกสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีคนเหล่านนั้นรับคำของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกข้าพเจ้าจึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีผลวิบากกรรมมีจริง อุปมาด้วยเทพชั้นดาวดึงบอ่อพิษถ้าอย่างนั้นอัตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระไทยหนึ่งรปีของมนุษย์เท่ากับคืนละวันหนึ่งของพวกเทพชั้นดาวดึงสาสบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2องเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีหนึ่งพันปีทิพย์ โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของพวกเทพชั้นดาวดึงมิตรอมาตยาสาโลหิตของพระองค์ผู้มีศีลหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงหากพวกเขาคิดอย่างนี้ว่ารอเวลาให้พวกเราเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยการมาุณห้าที่เป็นทิพซักสองสาวันก่อนจึงค่อยไปกราบทูลเจ้าปายาส ซึ่งเวลาส อ, สองวันของเทวดานับเป็นหลายร้อยปีของมนุษย์เมื่อจะกลับมาทูลเล่าเรื่องให้ทรงทราบตามสัญญาจะเป็นไปได้หรือพระเจ้าปายาสิตรัสว่าไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสปะที่จริงพวกเราคงตายไปนานแล้วแต่ใครหลักบอกท่านกัสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึง มีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกหมายเหตุผู้อ่านสำหรับข้อนี้ในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เคยค้นมานะครับมีการยืนยันว่าถ้าหากว่าเราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงขณะที่เราเดินทางออกจากโลกไปหนึ่งปีด้วยความเร็วเท่านั้นเมื่อกลับมายัางโลกจะปรากฏว่าอายุของเราผ่านไปแค่หนึ่งปี แต่ว่าอายุคนบนโลกอาจผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีข้อนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เคยค้นมานะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ถ้าเกิดโลกหน้ามีจริงและเป็นโลกอีกโลกที่อยู่ห่างไกลมากซึ่งกายทิพย์เดินทางได้เร็วกว่าแสงและเดินทางไปถึงที่นั่นสาหรับผู้ที่เกิดเป็นเทวดาเมื่อเดินทางไปโลกอื่นที่ไกลมาก ด้วยความเร็วเช่นนั้นเมื่อกลับมาเขาอาจจะผ่านไปแค่สองสามวันของเขาแต่อาจจะเป็นเวลาหลายปีของโลกมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับอุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิดพระเจ้าปายาสีตรัสว่าใครเล่าบอกท่านกัสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอยู่หรือมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อเรื่องนี้หรอก บอพิษเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่อาจเห็นรูปสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงไม่อาจเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ครุขระไม่อาจเห็นรูปดวงดาวไม่อาจเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย oh ์เขาจึงพูดอย่างนี้ว่ารูปสีดำสีขาวไม่มีคนที่เห็นรูปสีดำสีขาวก็ไม่มีรูปที่เรียบและรูปที่ครุขระก็ไม่มี คนที่เห็นรูปที่เรียบและครุกระก็ไม่มีรูปดวงดาวไม่มีคนที่เห็นรูปดวงดาวก็ไม่มีบอพิษคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดถูกหรือไม่ท่านกัสปะข้อนั้นชื่อว่าพูดไม่ถูกบอกพิษ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 ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทำตาทิพย์ให้บริสุทธิ์ย่อมเห็นโลกนี้โลกอื่นตลอดถึงเหล่าอบปฏิกสัตต์ได้ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เกินกว่าตาของมนุษย์คนไม่อาจจะเห็นโลกอื่นได้ด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทยัยบ่อพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แหลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ โลกอื่นมีอบปติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีด้วยพระโยมเห็นสมณะพราหมณ์ในโลกนี้ผู้มีศีลมีการลยานธรรมอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรับความสุขเกลียดความทุกข์จึงคิดอย่างนี้ว่า ถ้าท่านสมณพราหม์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้พึงรู้อย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏท่านเหล่านี้คงดื่มยาพิษใช้สัตราฆ่าตัวตายขู่คอตายหรือกระโดดเหวตายแต่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ทราบอย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุนความดีจะปรากฏฉะนั้น ท่านเหล่านั้นจึงอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรับความสุขเกลียดความทุกข์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้โยมเชื่อว่าโลกอื่นไม่มีอุปมาด้วยสตรีมีคันบอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเรื่องเคยมีมาแล้วรามคนหนึ่งมีพันยาสองคน บุตรของพันยาคนหนึ่งมีอายุสิบปีหรือส2บสองปีพันยาอีกคนหนึ่งมีคันใกล้จะคลอดต่อมาพรามเสียชีวิตลงชายหนุ่มพูดกับแม่เลี้ยงดังนี้ว่า<อ>คุณแม่ซับเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกของพ่อแก่ฉัน เมื่อชายหนุ่มกล่าวอย่างนี้นางพราหมณีนั้นกล่าวกับชายหนุ่ม น, นั้นดังนี้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเขาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม้ครั้งที่สองชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกแม้ครั้งที่สามชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงดังเดิมอีกลำดับนั้น นางพรามณีถือมีดเข้าไปในห้องแล้วแหวะท้องด้วยคิดว่าเราอยากรู้ว่าลูกในคันเป็นชายหรือเป็นหญิงได้ทำลายตนเองชีวิตลูกในคันและทรัพย์สมบัติที่พึงจะได้จนพินาศบอ่อผิษนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อสแสวงหามรดกโดยวิธีที่ไม่แยบคายได้ถึงความพินาศไปแล้วฉันใดพระองค์ผู้ไม่ฉลาด เมื่อสแสวงหาโลกอื่นโดยวิธีที่ไม่แยบคายจากถึงความพี่น่าฉันนั้นบพิษสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่เหมือนนางพราหมณีผู้โง่ไม่ฉลาดคือเขาไม่เร่งอายุที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นไปแต่รอให้อายุสิ้นไปเองเพราะว่าชีวิตของสมณพราหมณ์ผู้ฉลาดมีศีลเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ดำรงชีวิตอยู่นานเพียงใด ก็ย่อมประสบบุญมากและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นท่านกัปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อเหมือนเดิมว่าโลกหน้าไม่มีจริงด้วยเหตุว่าโยมได้เคยสั่งลงโทษโจรโดยจับใส่หม้อทั้งเป็น แล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟบุรุษนั้นเสียชีวิตแล้วจึงให้ยกหม้อนั้นลงกระเทาะดินเหนียวออกแล้วค่อยๆเปิดปากหม้อตรวจดูว่าบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะหรือวิญญาณของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่พวกเราไม่เห็นชีวะของเขาออกมาเลยนี้แล เป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจว่าโลกอื่นไม่มีอุปมาด้วยคนหลับฝันบอ่อพิษถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระไทยพระองค์ทรงเคยบันทมกลางวันทรงสู่บินหรือฝันเห็นสวนเห็นป่าพื้นที่อันน่ารื่นรมบ้างไหมท่านกัสปะ โยมเคยหลับกลางวันฝันเช่นนั้นในขณะที่ทรงสูบบินนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตี้ยนั่งผู้สามาลาหรือเด็กสาวคอยดูแลพระองค์อยู่หรือไม่ท่านกัสปะมีคนดูแลโยมอยู่หญิงเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกอยู่หรือไม่ท่านกัสปะหญิงเหล่านั้นไม่เห็นชีวะของโยมเข้าออกอยู่เลยบอพิษ หญิงเหล่านั้นมีชีวิตอยู่แท้ๆยังไม่เห็นชีวะเข้าออกของพระองค์ผู้ยังทรงพระชนอยู่พระองค์จะทรงเห็นชีวะเข้าออกของคนผู้สิ้นชีวิตไปแล้วได้อย่างไรละ่ะท่านกัสปะท่านพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็คงยังเชื่อว่าโลกอื่นไม่มีด้วยเหตุว่าโยมเคยสั่งลงโทษโจรโดยเอาตาช่างมาช่างบุรุษนี้ทั้งเป็น แล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่างช่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ร่างกายนี้มีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อบุรุษนั้นสิ้นชีวิตแล้วร่างกายมีน้ำหนักมากแข็งกระด้างและปรับตัวได้ยากกว่าท่านกัสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทาให้โยมเชื่อว่าโลกอื่นไม่มีอุ ป, ปมาด้วยก้อนเหล็กร้อน บ่พิดถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเปรียบเหมือนคนเอาตาช่างช่างก้อนเหล็กที่เผาไว้ตลอดวันติดไฟลุกโคลงต่อมาใช้ตาช่างช่างก้อนเหล็กนั้นขณะเย็นสนิทเมื่อไรก้อนเหล็กนั้นจะมีน้ำหนักเบาวกว่าอ่อนกว่าและดัดง่ายกว่าคือเมื่อติดไฟลุกโคลงอยู่หรือว่าเมื่อเย็นสนิทแล้ว ท่านกัสปะเมื่อก้อนเหล็กนั้นมีไฟติดไฟลูกโครงอยู่จะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าและดัดได้ง่ายกว่าบ่อพิษเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อร่างกายนี้ยังมีอายุมีอายุนและมีวิญญาณจะมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนนุ่มกว่าและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อร่างกายนี้ไม่มีอายุไม่มีออุ่นและไม่มีวิญญาณจะมีน้ำหนักมากกว่า แข็งกระด้างกว่าและปรับตัวได้ยากกว่าท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็คงยังเชื่อเหมือนเดิมว่าโลกหน้าไม่มีจริงเพราะเหตุว่าโยมเคยสั่งให้ลงโทษโจรด้วยการฆ่าโดยไม่ให้ผิวหนังเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกช้ำบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างเมื่อบุรุษนั้นใกล้ตายโยมสั่งว่า พวกท่านจงผลักให้เขานอนหงายบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงปลิกให้เขานอนควา่าให้เขานอนตะแคงข้างหนึ่งให้เขานอนตะแคงอีกข้างหนึ่งจงพยุงให้ลุกขึ้นจับศีรษะกดลงใช้ฝ่ามือทุบใช้ก้อนดินทุบใช้ท่อนไม้ทุบใช้สตรารทุบ ลากมาลากไปลากไปลากมาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างครั้นทาทุกอย่างแล้วพวกเราก็ไม่เห็นชีวะของเขาเลยตาของเขาก็เหมือนเดิมรูปก็รูปเดิมเดิมแต่ตานั้นไม่รับรู้รูปนั้นหูของเขาก็หูเดิมเสียงก็เสียงเดิมเดิมแต่หูนั้นไม่รับรู้เสียงนั้นจมูกของเขาก็จมูกเดิม กลิ่นก็กลิ่นเดิมเดิมแต่จมูกนั้นไม่รับรู้กลิ่นนั้นกายของเขาก็กายเดิมนี้แหละเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจว่าโลกอื่นไม่มีอบปฏิกสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมบีชั่วไม่มีอุปมาด้วยการเป่าสังบพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ เรื่องเคยมีมาแล้วคนเป่าสังคนหนึ่งนำสังไปยังปัญจันตะชนบทเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งยืนอยู่กลางหมู่บ้านเป่าสังขึ้นสามครั้งวางสังไว้ที่พื้นดินแล้วนั่งนาที่สมควรลำดับนั้นชาวบ้านแตกตื่นว่าท่านทั้งหลายนั่นเสียงใครกันน่าพอใจน่ารักใคร่น่าหลงไหลหน่าติดใจไพเราะอย่างนี้ จึงพากันล้อมคนเป่าสังถามว่าเป็นเสียงอะไรได้คําตอบว่าเป็นเสียงสังชาวบ้านเหล่านั้นจับสั่งให้หงายขึ้นแล้วสั่งว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงพวกเขาจับสั่งให้คว่ำหน้าลงให้ตะแคงข้างหนึ่งให้ตะแคงอีกข้างหนึ่งยกสั่งให้สูงขึ้นวางสังให้ต่ําลงใช้ฝ่ามือเคาะ ใช้ก้อนดินเคาะใช้ท่อนไม้เคาะใช้สัตวราเคาะลากมาลากไปลากไปลากมาแล้วสั่งว่าผู้สิพ่อสังผู้สิพ่อสังสังนั้นก็ไม่ส่งเสียงคนเป่าสังได้มีความคิดดังนี้ว่าชาวปัญจตะชนบทเหล่านี้ฉ่งโง่เขลาจริงฉไหนจึงสแสวงหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีอย่างนี้ละ่ะ ขณะที่ชาวบ้านเหล่านั้นกําลังมุงดูอยู่เขาจึงหยิบสังขึ้นมาเป่าสามครั้งแล้วถือสังเดินไปชาวปัญจตะชนบทเหล่านั้นพูดกันว่าท่านทั้งหลายเมื่อสังนี้มีคนมีความพยายามและมีลมจึงส่งเสียงได้บอพิษเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อกายนี้ยังมีอายุมีไออุนุนและมีวิญญาณ กายนี้จึงก้าวไปได้ถอยกลับยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นริ้มรสแต่เมื่อกายนี้ไม่มีอายุไม่มีอายุ่นและไม่มีวิญญาณกายนี้ก็ทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ท่านกสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าโลกหน้าไม่มีเพราะเหตุว่า โยมเคยสั่งลงโทษโจรครั้งหนึ่งโดยให้เชือดผิวของเขาเพื่อบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเถือหนังและเนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกของเขาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างแต่พวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลย นี่เป็นเหตุให้โยมไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงอุปมาด้วยชะดินผู้บูชาไฟบพิษถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเรื่องเคยมีมาแล้วมีชะดินผู้บูชาไฟคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฎีใบไม้ณนาชายป่าเวลานั้นหมู่เกวียนหมู่หนึ่ง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 แล้วจะปล่อยให้เด็กเสียชีวิตไปก็ไม่เหมาะทางที่ดีเราควรพาเข้าไปอาสมแล้วชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตจึงพาเด็กนั้นไปชุบเลี้ยงจนเจริญเติบโตเมื่อเด็กนั้นอายุได้1ิปีหรือส2องปีจะเดินบูชาไฟคนนั้นมีธุระอย่างหนึ่งในเมืองจึงสั่งเด็กนั้นว่าลูกเอ๋ยพ่อจะไปในเมืองเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับ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 ออกเป็นสองซีกสามซีกสีก่ซีกห้าซีกสิบซีกยี่สิบซีกแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กเล็กครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่ลมแรงด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไฟเลยต่อมาจะดินผู้บูชาไฟทําธุระในเมืองเสร็จ กลับมาอาสมของตนเห็นไฟดับลูกชายได้เล่าถึงวิธีก่อไฟของตนแต่ทำอย่างไรก็ไม่ติดลำดับนั้นชะดินผู้บูชาไฟคนนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า mm. เด็กคนนี้ช่งงางโง่ไม่ฉลาดเอาซะเลยหาไฟโดยไม่ถูกวิธีจะได้อย่างไรละ่ะเมื่อเด็กนั้นกำลังดูอยู่จึงหยิบไม้สีไฟมาสีให้เกิดไฟแล้วบอกกับเด็กนั้นดังนี้ว่า ลูกเอ้ยเขาติดไปกันอย่างนี้ไม่เหมือนเจ้าที่โง่ไม่ฉลาดหาไฟโดยไม่ถูกวิธีบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกันแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธีพระองค์โปรดละมิจฉาทิฏฐินั้นเถิดปล่อยวางมิจฉาทิฏฐินั้นเถิดมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นยาได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานเลย ท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฐินี้ได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสีมีทิฐิว่าโลกอื่นไม่มีอบ ป, ปฏิกสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทาชั่วไม่มีหากโยมสละทิฐินี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสีนีช่างโง่ไม่ฉลาด ยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดีอุปมาด้วยนายกองเกวียนสองคนบอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเรื่องเคยมีมาแล้วมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณหนึ่งพันเล่ม เดินทางจากแคว้นทางทิศตะวันออกไปอย่างแคว้นทางทิศตะวันตกขณะเมื่อเดินทางไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดได้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในหมู่เกวียนนั้นมีนายกองเกวียนสองคนคุมเกวียนคนละห้าร้อยเล่มในกองเกวียนทั้งสองคนนั้นได้ปรึกษากันว่ากองเกวียนนี้เป็นหมู่ใหญ่มีเกวียนหนึ่งพันเล่มเวลาที่พวกเราเดินทางรวมกันไป ญ่าฟืนน้ำใบไม้สดหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีพวกเราควรแยกกองเกวียนนี้ออกเป็นสองกลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละห้าร้อยเล่มจึงตกลงแยกกันเป็นสองกลุ่มในกองเกวียนคนหนึ่งบรรทุกยญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากขับเกวียนล่วงหน้าไปก่อนเมื่อไปได้สองถึงสมวันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแรง้งธนูทัดดอกโกมุต มีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อน่มสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าผนทางกันดานข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมบุรุษนั้นตอบว่าใช่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 พวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วทิ้งหญ้าปืนและน้ำเก่าขับเกวียนเบาไปแต่ก็ไม่ได้พบเห็นหญ้าปืนหรือน้ำแม้ในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สจนถึงแห่งที่เจก็ไม่ได้พบจึงถึงความวอดวายด้วยกันมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกองเกวียนนั้นถูกอมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียทั้งหมดเหลือแต่กระดูก ต่อมาเมื่อนายกองเกวียนคณะที่สองรู้สึกว่าเวลานี้กองเกวียนคณะแรกได้ออกเดินทางเป็นนานแล้วจึงบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากและขับเกวียนไปเมื่อไปได้สองถึงสมวันได้พบบุรุษมีผ้าและผมเปียกปอนได้ถามตอบเหมือนกับพวกขับเกวียนกลุ่มแรกทุกอย่างลำดับนั้นนายกองเกวียน เรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุตนี้บอกว่าผนทางกันดานข้างหน้ามีฝนตกผนทางมีน้าชุ่มมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายบอกให้พวกเราทิ้งหญ้าฝืนและน้ำเก่าเสียเถอะเกวียนเบาจะได้เดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากท่านทั้งหลายบุรุตผู้นี้ไม่ใช่มิตรหรือญาติสาโลหิตของพวกเราพวกเราจะเชื่อเขาได้อย่างไร พวกท่านไม่ควรทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าจงขับกองเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาเถอะพวกเราจะไม่ทิ้งของเก่าพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วขับไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาพวกเขาไม่พบเห็นหญ้าฟืนหรือน้ำในที่พักกองเกวียนแห่งแรกจนถึงแห่งที่เจ็ดก็ไม่พบเลย เห็นแต่กองเกวียนคณะแรกที่ถึงความวอดวายลำดับนั้นนายกองเกวียนจึงเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่านี่คือหมู่เกวียนคณะแรกนั้นได้ถึงความวอดวายทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนโง่เขลาถึงอย่างนั้นพวกท่านจงทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในกองเกวียนของเราและจงขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มาก ในกองเกวียนนี้ไปพวกขับเกวียนรับคำแล้วทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในเกวียนของตนขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในหมู่เกวียนนั้นเดินทางข้ามทางกันดานไปได้โดยสวัสดิภาพทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นาเป็นคนฉลาดบพิษพระองค์ทรงไม่ฉลาดทรงสแสวงหาโลกอื่นโดยไม่ถูกวิธี จะถึงความพิาดเช่นเดียวกับนายกองเกวียนคนแรกนั่นแหละพวกคนที่เข้าใจว่าทิฏฐิของพระองค์ควรฟังควรเชื่อถือเหล่านั้นก็จะถึงความพิาดเหมือนกันฉะนั้นพระองค์โปรโดสละทิฏฐินั้นเถิดแต่พระเจ้าปายาสิก็ยังทรงไม่ยอมสละวางทิฏฐินั้นบอพิษถ้าเช่นนั้น อาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเรื่องเคยมีมาแล้วมีบุรุษผู้เลี้ยงสุกรคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านของตนไปยังหมู่บ้านอื่นเห็นอุจจาระแห้งจํานวนมากที่เขาทิ้งไว้ในบ้านนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าอุจจาระแห้งมากมายที่เขาทิ้งนี้เป็นอาหารของสุกรของเราทางที่ดีเราควรนําอุจจาระแห้งไปจากที่นี้ จึงปูผ้าห่มลงแล้วคอยเอาอุจจาระแห้งจํานวนมากผูกเป็นหอ่อทูลเดินไปในระหว่างทางเขาถูกฝนหาใหญ่นอกฤดูกาลตกรถเประเปื้อนไปด้วยอุจจาระตั้งแต่ศีสะจะลดปลายเล็บเท้าทูลเอาห่ออุจจาระที่ล้นไหลเดินไปชาวบ้านเห็นเขาจึงถามว่าท่านบ้าหรือเปล่าเสียเจร็ญหรือเปล่า ทำไมจึงประเพื้อนด้วยอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเล็บทูลหออุจจาระที่ล้นไหลอ ย, อยู่ละ่ะบุรุษ์นั้นตอบว่าพวกท่านต่างหากที่บ้าพวกท่านต่างหากที่เสียจริตความจริงอุจจาระเป็นอาหารของสุกรของเราบอร่อพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ทูลหออุจจาระเดินไปนั่นแหละพระองค์โปรดสละทิฏฐินั้นเถิดแต่พระเจ้าปยาสิก ก็ยังไม่ทรงยอมสละทิฏฐินั้นอุปมาด้วยนักเลงส ก, กาบ่อพิษถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับเรื่องเคยมีมาแล้วมีนักเลงส ก, กาสองคนกําลังเล่นส ก, กาคนหนึ่งกลืนเบี้ยที่จะทําให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าอีกคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ย ท่านชนะอยู่ฝ่ายเดียวจงคืนลูกสกาแก่เราบ้างเราจะเส้นบูชานักเลงสกาคนนั้นรับคำแล้วมอบลูกสกาคืนต่อมานักเลงสกาคนที่สองเอายาพิษทาลูกสกาและบอกว่ามาเถอะเพื่อนเราจะเล่นสกากันต่อนักเล่งสกาคนแรกรับคำแล้วแม้ครั้งที่สองนักเล่งสกาทั้งสองก็เล่นสกากันต่อ แม้ครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรกก็ยังกลืนเบีย้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้ว ล, กลวูกเล่านักเลงสกาคนที่สองเป็นนักเลงคนแรกกลืนเบีย้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าจึงได้พูดกับนักเลงสกาดังนี้ว่าคนกลืนลูกสกาเคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเจ้านักเลงชั่วเจ้าจงกลืนเข้าไปผิดร้ายแรงจะออกฤทธิ์แก่เจ้าภายหลัง บอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับนักเลนสกานั่นแหละโปรดสละทิฐินั้นเถิดแต่พระเจ้าปายาสิก็ยังทรงไม่ยอมสละทิฐินั้นเช่นเดิมอุปมาด้วยคนหอบเปลือกปานท่านพระกุมาร ก, กัสปะถวายพระพรว่าบอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ เรื่องเคยมีมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งสหายผู้หนึ่งเรียกสหายมาบอกว่ามาเถอะเพื่อนเราจะเข้าไปยังเมืองนั้นบางทีจะได้ทรัพย์ในเมืองนั้นบ้างสหายคนที่สองรับคำของเพื่อนแล้วพากันเข้าไปยังชนบทถึงถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นเปลือกปานที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกบอกสหายคนที่สองว่าเพื่อนเอ๋ยเขาทิ้งเปลือกปานไว้มากมาย ถ้าเช่นนั้นท่านจงผูกเปลือกปานเป็นหนึ่งมัดเราจะผูกอีกหนึ่งมัดเราสองคนจะช่วยกันขนเปลือกปานไปสหายคนที่สองรับคําแล้วผูกเปลือกปานหนึ่งมัดแล้วต่างช่วยกันหอบเปลือกปานเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นได้ปานที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเอ๋ย เราจะปรารถนาเปลือกปานไปเพื่ออะไรนี่คือได้ปานที่ดีกว่าที่เขาทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงทิ้งมัดเปลือกปานเสียเถอะเราก็จะทิ้งเหมือนกันเรามาช่วยกันนำมัดได้ปานไปเถอะสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราหอบมัดเปลือกปานนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละ่ะข้อนี้หมายถึง เจอของดีกว่าก็ยังไม่เอาแต่ยังคงแบกของด้อยกว่าไปเพราะสำคัญว่าแบกมาไกลแล้วลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดเปลือกปานแล้วนำมัดได้ปานไปสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นภาพปานที่เขาทิ้งไว่มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่า เราจะปรารถนาเปลือกปานและได้ปานไปเพื่ออะไรนี้ผ้าปานซึ่งดีกว่าที่เขาทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงทิ้งมัดเปลือกปานเสเถะเราก็จะทิ้งมัดได้ปานเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนำมัดผ้าปานไปเถอะสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอ้ยเราหอบมัดเปลือกปานนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งหลัก ลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดได้ป่านแล้วนํามัดผ้าป่านไปสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เจอสิ่งของที่เขาทิ้งไว้มากมายตามลําดับดังนี้ได้แก่ลูกฝ้าได้ไฝ้าผ้าไฟา้โลหะดีบุกสําฤทธิ์ไปจนถึงเงินที่เขาทิ้งไว้มากมายและที่สุด จนเจอทองที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหาหอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเอ๋ยเราจะปรารถนาเปลือกปานได้ปานผ้าปานและสิ่งอื่นๆไปทำไมนี่ทองที่เขาทิ้งไว้มากมายท่านจงทิ้งมัดเปลือกปานไปเสถะ เ, เราก็จะทิ้งห่อเงินเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนําห่อทองไปเถิด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 ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาบิดาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากบุตรภัญยาจากมิตรอมมาตอีกทั้งไม่ได้รับความสุขสมนัทที่เกิดจากการหอบเหลือ ก, กป่านนั้นส่วนสหายอีกคนหนึ่งที่นำห่อทองไปได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาบิดาบุตรภัญยาจากมิตรอมมาตอีกทั้งได้รับความสุขสมนัท ที่เกิดจากการนำหอทองนั้นติดตัวมาบพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ขนมัดเหลือกป่านนั่นแหละพระองค์โปรดสละทิฏฐินั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐินั้นเถิดทิฏฐิเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานเลยเจ้าปายาสีตรัสว่า เพียงอุปมาโวหารข้อแรกของท่านกัสสปะเท่านั้นโยมก็พอใจอย่างยิ่งแล้วแต่อยากจะฟังปฏิภาณในการตอบปัญหาที่วิจิตรเหล่านี้จึงทําทีโต้แย้งท่านกัสสปะไปเท่านั้นเองภาสิทธิ์ของท่านกัสสปะชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัสสปะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง โยมขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านกัสสปะโปรดจำโยมว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโยมปรารถนาจะบูชามหายันขอท่านกัสสปะโปรดชี้แจงวิธีบูชามหายันอันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่โยมตลอดกาลนานเถิด ท่านพระกุมารกษ์กสปะถวายพระพรว่าบ่อพิษยันที่มีการฆ่าโคฆ่าแพะแกะฆ่าไก่สุกรยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนและผู้รับยันก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกปะมีมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเช่นนี้ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสง์มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากเปรียบชาวนาถือมเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านมเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมแดดเผาแล้วรีบยังไม่สุกดีลงในนาไร่ที่ไม่ดีมีพื้นที่ไม่เหมาะไม่แพ้วถางตอและน้มให้หมดไปทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นไม่เจริญงอกงามไพบู์ ชาวนาจะไม่ได้รับผลอันภัยบู์ท่านกุมารั ก, กัสปะถวายพระพรว่าบวชพิษยันที่ไม่มีการฆ่าโคฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าสุกรยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนและผู้รับก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสัมมาธิเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความแร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือมเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านมเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เนา่าไม่ถูกลมแดดแผดเผามีมเมล็ดสุกดีลงในนาไร่ที่ดีมีพื้นที่เหมาะแผ้วถางตอและหนามให้หมดไปทั้งฝนก็ตกตามฤดูกาล พืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพยบู์หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพยบู์เรื่องอุต ร, รมานกต่อมาเจ้าปายาสิส่งเริ่มให้ทานแกสมนาพรามคนกำรา้าคนเดินทางวั น, นิพกและพวกยาจกแต่ในทานนั้นเท้าเธอประธานโพชนะเห็นปานนี้ คือปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับได้ประทานผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆมในการให้ทานนั้นมีอุตตรมานพเป็นเจ้าหน้าที่อุตตระมานพให้ทานและอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลย เจ้าปายาสิทรงทราบเรื่องนี้จึงเรียกมาตรัสถามมาน์ก็ยอมรับตามความจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นอุตระมาน์กราบทูนว่าในทานของพระองค์มีปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับซึ่งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทชั้นไหนจะเสวยเล่าผ้าก็เนื้อหยาบมีชายขอยเป็นป ม, ปม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 จงจัดเรียมผ้าชนิดเดียวกับที่เรานุ่งหมอุตรมามนบทุนรับสนองพระดำรัสแล้วทำตามรับสัง่งต่อมาเพราะเหตุที่เจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงให้ทานด้วยความไม่นอบน้อมแต่ทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตตักใสแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชไปเกิดเป็นบริวารของท้าวเวสวรรค์ได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกะวิมานส่วนอุตระมานกผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปายาสินั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้ว ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงสมัยต่อมาท่านพระขวัมปติไปพักกลางวันณเสรีสกะวิมานที่ว่างเปล่าอยู่เนือ ง, องลํำดับนั้นปายาสิเท พ, พบุตรุเข้าไปหาท่านพระขวัมปติถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระขวัมปติถามปายาสิเท พ, พบุตรว่า ท่านเป็นใครข้าพเจ้าคือเจ้าปายาสีขอรับท่านพระขวัมปติถามว่าท่านเป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกอื่นไม่มีอบ ป, ปฏิกสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีจริงหรือจริงขอรับข้าพเจ้าเคยมีทิฏฐิอย่างนั้นแต่พระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสปะได้ชี้นําให้ข้าพเจ้าออกจากทิฏฐิชั่วนั้นแล้วท่านพระขวัมปติถามว่า ก็อุตระมนพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของท่านไปเกิดที่ไหนอุตระมนพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของข้าพเจ้าให้ทานด้วยความเคารพได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส่วนข้าพเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชได้วิมานว่างเปล่าชื่อแสรีสะกะวิมาน ท่านขวามปติขอรับขอท่านจงไปมนุษยะโลกประกาศอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานด้วยความนอบน้อมอย่าให้ทานอย่างโยนทิ้งด้วยเรื่องของข้าวเจ้าและอุต ร, รมามนบเป็นตัวอย่างต่อมาเมื่อท่านพระขวามปติกลับมาสู่มนุษยยะโลกแล้ว ได้ประกาศเรื่องนี้ตามความเป็นจริงจบพระไตรปิฎกเล่มที่1ิบพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สอง